4.7 พระโสดาบันละสังโยชน์เบื้องต้นสามอย่างด้วยญาณทัศนะคือความเห็นถูกวงเล็บเปิด1กุมภาพันธ์2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดในขั้นต้นจากปุถุชนขึ้นเป็นพระโสดาบันเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจให้เกิดญาณทัศนะให้เห็นความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนบอกว่าสังโยชน์บางอย่างคือสักยทิฏฐิ วิจิกิจชาศีละพตตะปรามาตที่พระโสะดาบันละนี่ละด้วยทัศนะคือด้วยความเห็นถูกสังโยชน์เบื้องสูงขึ้นไปอีกเจ็ดอย่างวงเล็บเปิดกามราคะปติคะรูปปราคะอรู ป, ปราคะมานะอุทัทัจจะอวิชชาวงเล็บปิดนั้นละด้วยภาวนาด้วยการมีสติตามรู้ไปเรื่อยเรรู้ความจริงของมันแต่ก็ยังเรียนรู้มันซ้ำลงไปอีก จนกระทั่งหมดความยึดถือมันวิธีปฏิบัติที่จะละสังโยชน์เบื้องต้นสามอย่างกับสังโยชน์ที่เหลืออีกเจ็ดอย่างก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจนั่นเองแต่รู้กายรู้ใจทีแรกเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเราถัดจากนั้นมันจะรู้สึกว่ากายกับใจไม่ใช่เราแล้วแต่ว่ายังหวงอยู่ยังรู้สึกว่านี่มันก็ไม่ใช่ตัวเราก็จริงนะแต่ว่าเรามาอาศัยอยู่เป็นของดีของวิเศษยังรักยังหวง ตราบใดที่เรายังรักสิ่งใดเราก็จะต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นยังเรารักผู้หญิงสักคนเราก็ต้องเป็นทาสของผู้หญิงคนนี้ไปซื้อรถคันหนึ่งมาสิบล้านเราก็ต้องเป็นทาสของรถคันนี้เรารักอะไรเราก็จะเป็นทาสสิ่งนั้นทีนี้เรารักกายรักใจมากที่สุดเราก็เป็นทาสของกายของใจต้องปริบัิ ร, รับใช้มันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดเลยเราเรียนรู้ไปถึงความจริงของกายของใจจนแจ่มแจ้งมันมีแต่ทุกข์ล้วน นี่เราเรียกว่าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่ารู้แจ้งในทุกขสัจจะพอรู้แ จ, จ้งในทุกขสัจจะแล้วสมุทัยก็จะถูกละอตัตโนมัติเมื่อรู้แจ้งทุกข์คือเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติคือจะไม่เกิดขึ้นไม่ต้องดับสมุทัยนะแต่สมุทัยไม่เกิดนิโรธคือความพ้นจากทุกขพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานั่นเอง